ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่าอานิสงค์แห่งทานของท่านสิวลีประมีเทไล ละสามสิบหลวงพ่อก็เช็คกระพาะเวรเหมือนกันนะเหมือนกับตำรวจตำรวจเวร น, นะเข้าออกยังไงหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะต้องเช็ค ก, กับเพาะเวรพระเาะเวรต้องรู้พ ร, ระมีเท่าไหร่มากกว่านั้นใครบ้างไม่สบายมีอะไรบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างภาเวณต้องรายงานท่าเราเราอยู่ด้วยกันหลายคนหลายองค์ไม่ใช่ต่างองค์ก็ต่างอยู่ไม่รู้จักกันไม่ได้เวลาองค์ไหนเป็นไหนเป็นอะไรต้องได้รับรู้รับทราบร่วมกันเวลากลางคืนก็เหมือนกันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่แต่ต่างไม่จริง ต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกันหลวงพ่อบอกทุกองอยู่ด้วยกันทั้งพระทั้ง30คน30องค์เวลามีอะไรเกิดขึ้นกลางคืนเพราะต่างคนก็ต่างอยู่ปฏิของไครของเราฮะ ห, ห่างไกลกันถ้างูกัดมาเลงต่อยอหรือตะขาบกัดหรืออะไรเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันปวดท้อง ปวดศีรษาอะไรลักษณะอย่างนั้นให้เตรียมก่อนหินเอาไว้เตรียมค้อนเอาไว้อะไรอยู่ใกล้ด่ามล่มนะเคาะฝาผนังตัวเองเคาะพื้นตัวเองอเว้นเสียจะป่วจนเคาะไม่ได้ก็สุดแท้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นมันก็แย่แมันรู้จักตัวเองพอที่จะเคาะได้เราก็ต้องเคาะก่อน อาการมันจะนักหน้านเนี่ยกันรู้ตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็เคาะพื้นเคาะไม้เคาะฝาผนังให้มันเสียงดังปังปังปังปังปังพระที่อยู่ใกล้เนี่ยผิดสังเกตต้องมาดูไม่ใช่เฉยต่างคนต่างเฉยไม่ได้นะทีใครทีเรานะผู้อยู่ใกล้กันก็ต้องเดินมาดู ถ้าเคาะถี่แสดงว่ามีอาการหนักหนาสาหัสเคาะแบบเล่งผู้อยู่ใกล้ก็ต้องแบบมาแบบเร็วมาดูมีอะไรก็จะได้บอกเพราะองค์ที่ข้อไม้บอกว่าเออผมเป็นปวดท้องอย่างแรงครับองค์นี้ก็จะต้องวิ่งไปหาองค์ที่อยู่ใกล้อีก หรือามาด้วยกันสองสามองค์ก็องค์นั้นก็ต้องบอกมาศาลาองค์หนึ่งก็ต้องเฝ้าดูอาการเฝ้าป่วยองค์นี้นก็มาบอกพระศาลาพระศาลาก็ต้องเตรียมหาคนที่อยู่ใกล้นำสง่งพยาบาล น, นี่แหละให้เร็วที่สดุดจากนั้นค่อยมารายงานหลวงพ่อ ว่าพระเป็นยังไงมีอาการอย่างไรหลวงพ่อก็จะต้องพิจารณาประสานออกไปข้างนอกแต่ไหนะทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรหรือไปโรงพยาบาลน้ำโสมศักยภาพของโรงพยาบาลนายูงรับไหวไหมถ้ารับมไม่ไหวก็น้ำโสมไปไงบ้านผือเป็นยังไงอุดรไปยังไงถ้าไม่อุดรไม่ไหวก็คอนแกนขอนแกนเป็นยังไง เรืกรุงเทพเป็นยังไงหลวงพ่อก็เป็นผู้ประสานต่ออีกนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้ว่าต่างคนต่างมีน้ําใจต่อกันเอืออารีต่อกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อก็บอกนะ เรื่องการเรื่องงานสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเสี่ยงอย่าไปทําแต่เสี่ยงอันตรายมากอย่าทําพอไปเสี่ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยอันตรายเกิดอันตรายขึ้นมามันไม่คุ้มค่ากันนะถ้าใครจะตายตายด้วยการด้วยงานน่ะมันโดยมากมันก็ใช่แต่ทางโลกเขาก็ว่าตายต่อหน้าที่ตายต่อหน้าที่ดี ใกล้ขาวัดเพื่อหน้าที่ประเทศชาติแต่หลวงพ่อเนี่ยหน้าที่ของพระคืออะไรถ้าเราไปตายด้วยการงานไม้ทับบงังใบเรื่อยหลุดไปตัดคอบงังเอ อ, เ อ, อตกหลังคาตายบางังไฟช็อตบงังอันนั้นแปลว่าหลวงพ่อว่าไม่ใช่ตายในหน้าที่แปลว่าตายเพราะการงานเพราะความเสอ่ อ, อถ้าตายต่อหน้าที่ เ, เดินจงกรมไปเนี มันซดลงกับท่อนทางจงกรมแล้วก็นั่งตายอยู่ทางดนทางจงกรมนั่นแหละคือตายต่อหน้าที่เวลานั่งภาวนาเนี่ยสลบหมดลมแล้วก็ตายในขณะที่นั่งนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าคอตกตาย อ, อ, อันนั้นก็นว่าตายต่อหน้าที่ตายในหน้าที่ถ้าว่านอนตายนะยังไม่ใช่นะ่ใครนอนตายยังไม่ใช่ตายต่อหน้าที่นะ แปลว่าสรบสหลิไหลาตายบางทีอาจจะนอนมากเกินไปเลยไห ล, าหลาตายไม่ใช่ตายในหน้าที่นะนี่แหละภากกรรมฐานเคยมีนะหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านเดินยิงกลมไปพนที่สุดท่านก็เลยนั่งลงตายอยู่ที่สุดทางจงกลมของท่าน ทางหลวงปู่จะไม่ผิดก็ชื่อว่าหลวงปู่ยังชื่อว่ายังเป็นคนศรีสะเกษพ่อของท่านชื่อหลวงปู่นินเป็นลูกศิษย์หลวงตานี่ยนะก็เป็นเนนบวชมาแต่อายุแต่เป็นเนนคันคงจะมีโรคประจำตัวของท่านก็คือคงจะเป็นโรคหัวใจท่านเดินยองกลมก็เลยนั่งสุดลงที่ทางเดินยงนกลมตายที่ทางเดินยงนกลม ถ้าเราได้ยินเรายังจําไม่ลืมเนาะคือตายในหน้าที่เนี่ยภาวนาแล้วก็ใจขาดตายในหน้าที่แปลว่าเนี่ยนักรบอย่างสุดๆอตายในทางเดินยังกลมละตายที่นั่งภาวนาตายในหน้าที่ตายที่ทําการทํางานแล้วคล้ายๆพอขาดความรอบครอบตายแต่ก็ยังยกย่องอยู่ก็ยังยกย่องว่าทำหน้าที่ แทนหมู่พระสงฆ์แต่ก็ยังไม่ยกย่องว่าตายในหน้าที่ยกย่องในระดับหนึ่งเป็นผู้เสียสละทําหน้าที่การงานเพื่อพระสงฆ์จะได้รับความร่มเย็ยนผาสุขในวัดวาศาสนาอันนตัวอย่างยกย่องในระดับหนึ่งแต่ระดับสูงสุดติดขั้นในพ้นให้เลยกันนี่แหะตายนั่งภาวนาตายในที่เดินยังกลม นี่แหละให้พวกเราทั้งหลายฟังเอาไว้นะแต่อยู่ที่ไหนก็ตา ย, ด, ยด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะอยู่ในวัดในวาหรือว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลจะไม่เป็นไรไม่ใช่เราต้องคิดไว้ชีวิตของเราเหมือนน้ำค้างใบบัวลมพัดมาแล้วก็อาจจะเกลี้งตกได้ทุกโอกาสชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่มีใครรับประกันได้ว่า อยู่กับพ่อกับแม่จะไม่ตายอยู่กับครูบาอาจารย์จะไม่ตายอยู่ในโรงพยาบาล ด, ดีหมอ ด, ดีจะไม่ตายไม่มีใครรับประ ก, กันได้หรอกหมอ ด, ดีกับหมอก็ตายอีกเหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์องค์ไหนล่ะท่านก็จากละสังขารไปแต่ว่าท่านตายในหน้าที่อะไรถ้าท่านตายในหน้าที่คือท่านชําละกิเลสโลภโกรดหลงออกจากใจของท่านได้แล้วนะ ถึงจะตายยังไงท่านก็ไม่ขุนไม่เครื่องอไม่เสียอกเสียใจตายที่ไหนดีทั้งนั้นพระหานตายผู้หมดจดจากกิเลสตายแต่ถ้าว่ากิเลสยังเต็มหัวใจตายอันนั้นไม่ดีจะต้องบกวนเวียนมาเวียนไหยตายเกิดในวัฏะสงสาราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้กรรมตัวนั้นจะตามสนอง วกวนเวียนใช้หนี่กรรมไปตลอดนี่อันนี้ก็คือการตายต่างกันสรุปแล้วก็คือกา ร, การตายนี่ต่างกันถ้าพระหันตายกับปุตุชนตายกับผู้บาปหนาตายมันต่างกันเพราะฉะนั้นให้ตรวจตราดูเราจะเป็นระดับไหนถึงไม่ใช่อริยะชนเป็นพรสัสดาสักตาคานาคา แต่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งไม่ได้ทำความชั่วชา้าเสียหายทำให้ใครเดือดร้อนกับเราเรามีแต่ให้ความเกื้อกูลหนุนสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนสังคมมีแต่ให้ความเมตตามีแต่ให้ความอนุเคราะห์ชุมชนด้วยน้ำใจของเราที่ทุนท ร, รัพย์ของเราอันนี้ก็ว่าตายแบบไม่เปล่าประโยชน์เหมือนกัน เกิดมาทั้งทีชีวิตได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ชาติให้แก่โลกบุญกุศลเหล่านั้นไม่ไปไหนกหลังไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของคนๆนั้นจากนั้นก็ เ, เกิดพบใดชาติใดบุญกุศลก็พานำาพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีจากนั้นก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆ สั่งสมบารมีไปเรื่อยๆเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วนั่นละ่ะก็พร้อมที่จะตัดกิเลสโลภโกรดหลงเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทีแรกก็พอปลูกขึ้นมาก็มีมเมล็ดพอจากนั้นก็เป็นแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำพอเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วกันัน่นแหละมังกรทองอาศัยอย่างไปในดิน ต่อไปกัมีเปลือกมีกระพี้ต่อไปก็เป็นแก่นนะแก่นนะก็คือจุดประสงค์ของเรานี่ก็เหมือนกันการสั่งสมคุณงามความดีเหมือนกับเราปลูกคุณงามความดีไว้ในใจของเราต่อไปใจของเราก็เข้มแข็งบุญมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นเครื่องห่อหุ้มคนมีทานมีการเสียสละ พอผู้ใดจ้าไปณสถานที่ใดเกิดณสถานที่ใดถึงจะอยู่ในชุมชนที่อดอยากแต่คนนั้นเขาก็ยังมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งกว่าใครอื่นในบริเวณนั้นในละแวกนั้นถ้าหากว่าไปเกิดเป็นสัตว์หรือวเป็นมนุษย์กลุ่มใดก็ตามเหนือกว่ามนุษย์กลุ่มนั้นเพราะอเนกสงทาน อันใสงสินก็เหมือนกันถ้าเรารักษาศีลดีไปเกิดในชุมชนใดในชุมชนนั่นก็ดูแลปกป้องเราเพราะอันในสงสินของเราไม่เคยเบียดเบียนใครไปในสถานที่ใดชุมชนในกลุ่มนั้นก็ดูแลปกป้องให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราราบรื่นอันในสงสินอันในสงภาวนาก็เหมือนกันจิตใจของเรา ไม่ออกนอกหลุนออกทางไม่วิตกกังวลไม่ทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมากระทบกระแทกเราพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวได้เพราะอเนสง์ในการภาวนาของเราจิตใจของเราไม่วันไว้ไกวแข่งไม่วิตกกังวลกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจนเกินไปพร้อมที่จะประครับประคองใจของเราได้นี่แหละอเนสงการภาวนาก็ทำให้จิตใจของเรา ไม่เป็นโรคประสาทนไม่เป็นบ้าพูดง่างยง่ายเพราะเพราะการภาวนาของเราที่มาย้อนถึงอันนี้สงทานอันนี้สงทานของเราพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปโปรดพระเรวตะน้องชายภะษาลิบุตรไปพร้อมภิกษุสงฆ์ห้าร้อยสมมเนนอยู่ในป่าห่างไกล น้องชายภาษาลิบุตรพราะพรุทธเจ้ายังอดสาไปนะกับพระโสมหาร้อยน้องปีเยี่ยมน้องชายภาษาริบุตรที่เป็นสมณเนรชื่อว่าสมณเนเรวะตะที่หนีออกจากพ่อแม่เดินบุก ป, ป่าพาดงเข้าไปไปพบพระภิกษุพระภิกษุก็ถามว่าเจ้าเป็นใครแต่งตัว เ, ออเรียบร้อยดีมากมีฐานะผมเป็นเรวตะครับเป็นน้องของ อุปติสสะครับแต่พวกท่านทั้งหลายเรียกสาลีบุตรครับผมเป็นน้องชายคนเล็กครับโอ้อุปติสสะสาีบุตรท่านพระสารีบุตรเคยสั่งไว้กับพวกเราถ้าหากว่า น, น้องเห็นน้องของผมเข้ามานะจะเข้ามาบวชนะให้บวชให้เลยเพราะว่าพ่อแม่ของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่จะอนุญาตให้ลูกบวชนั้นคงเป็นไปไม่ได้ผมเป็นพ่อแม่ทางธรรมแทนก็นแล้วกันนะผมจะเป็นพ่อแม่ทางธรรมแทนพวกน้องๆแต่จะอนุญาตพ่อแม่อนุญาตให้บวชนั้นคงไม่ให้บวชแน่ละ่ะเพราะฉะนั้นเห็นน้องของผมมาพวกท่านทั้งหลายเห็นน้องของผมมาอยากจะมาขอบวชให้พวกท่านบวชได้เลยนะบวชให้เขาด้วยผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมอนุญาต ภาษาเลบุตรท่านฉลาดถึงขนาดนั้นนะจากนั้นพระเรวตาเนี่ยอายุเจ็ดขวบหนีออกจากบ้านอไปก็ไปเห็นพระภิกษุอยู่ในป่าพระภิกษุก็ถามชักใจไหลเลี้ยงได้แล้วเออใช่เป็นน้องภาษาเลบุตรจริงๆน้องสุดท้องของท่านอ้าวบวชขันลาบวชเป็นสัมมเนรขึ้นมาบวชเป็นสั ม, มเนรขึ้นมาสัมมเนรเลวตาโอ้ไม่ได้ถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวพ่อแม่ตามมาเอง จากนั้นท่านก็เดินเข้าไปในป่าดงผงไฟเห็นเล็กกว่านั้นอีกอแต่ท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เนี่ย ถ, ถึงจะเป็นเนเนก็เถอะแต่ว่าใจของท่านไม่เป็นเด็กนะเป็นใหญ่ฮให้สําเร็จเป็นพระรหันต์อายุเจ็ดขวบพระสงฆ์ก็เลยส่งข่าวท่านภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรก็ได้รับข่าวก็เลยไปกราบลาพระพุทธเจ้าว่าอยากจะไปเยี่ยมน้องชายคนเล็กเขาบวชแวเป็นสมณเรนร อ, อยู่องค์เดียวหนีออกจาก บ้านห่างไกลเพื่อมาให้ญาติพี่น้องตามไปถึงกนะ็ผมจะไปเยี่ยมเขาไปเจ้า้านะ่พระสาริีบุตรโอหยุดก่อนสรีบุตรเดี๋ยวเดียวเราก็จะไปด้วยฮนะจากนั้นพระพุทธองค์ก็พร้อมขบ้าสงตั้งหนะ้าร้อยไเสด็จไปเยี่ยมเลวตะสัมมาเนนนะพอพระองค์สเสด็จไปไปถึงทางสองแพ่งนะทางหนึ่ง ไปเนี่ยทางโคง้งทางมันหลายกิโลเมตรแต่ว่าทางนี้มีบ้านคนเต็มไปหมดการเดินทางก็สะดวกอาหารการบริโภคพระ500ร้เนี่ยก็สะดวกเพราะว่าตามรายทางมีบ้านคนมีเมืองมีบ้านคนตามรายทางแต่ว่าทางอีกทางห น, นึ่งทางกันดานทางกันดานเป็นทาง คนไม่ค่อยเที่ยวเป็นภูเขาบัางเป็นที่เนินที่ภูเขาแต่เป็นทางลัดใกล้กว่าเกือบครึ่งตัวแต่นึ้ทางโค้งแต่สะดวกแต่ทางลัดเนี่ยไม่มีบ้านคนมาถึงจุดนั้นพระอานนท์ท่านศึกษาถนโ้นทางแนละ้ท่านก็นมายืนอยู่ตรงนั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระ อ, องค์จะเสด็จทาง ทางสะดวกแต่มันยาวเกือบเป็นครึ่งหนึ่งแต่ถ้าว่าทางการดานเนี่ยไม่มีบ้านคนเนี่ยทางลัดมากพระองค์เจษเด็จทางไหนหนอพระเจ้าค่ะทั้งสองทางเนี่ยพระพุทธองค์ถามมองซ้ายมองขวาแล้วถามว่าสีวลีมากับพวกเราไหมเนี่พระสีวลีมากับพวกเราไหมเนี่ย มาพระเจ้าค่ะพระสิวลีมาในกลุ่มพวกเราด้วยคราวนี้เออเอาไปทางลัดนะเนี่ยเพราะพระพธองยังอาศัยบา ร, รมีของพระสิวลีอีกต่างหากนะจากนั้นพระสิวลีก็เดินทางลัดเลยเนะเดินเข้าไปพอไปถึงที่พักเอาพักพระสงฆ์ตั้งห0ลอยฮะพอพักเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาอยู่ในละแวกนั้นลยนะภูมิมะลุกขาเทวดาตั้งหลายแลยโอ้ พระอาจารย์สิวัรีของพวกเรามาแล้วพวกเราต้องเตรียมตัวไสบาตรนะ้วันพุ่งนี่นะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจศนะีรษะของพวกเราจะแตกเป็นเจ็ดภาคออในละแวกนี้เออพราะบุญบา ร, รมีของท่านสั่งสมมามากแล้วออพวกเราควรจะทำบุญเ อ, อเอานะช่วยกันนะวันพุ่งนี่นะตักบาตรเออทวดา บ, บอกกล่าวกันเป็นทอดๆไป พอพุ่งนี่เช้ามาเท่านั้นแหละเทวดาก็ะจำแรงเป็นคนขึ้นมาถ้าปุตุชนก็คงไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าพระรหัสสาวกท่านรู้นะี่คือเทวดามาใส่บาตรนะจากนั้นก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็นพระสงฆ์ก็ฉันอาหารฉนะันอาหารก็เดินทางต่อไปอีกแปลว่าไม่มีคําว่าขาดเหลือขาดตกปกพ่องในปใจัจจัยสีไม่มีเลยในพระศีวลีฮะ จนถึงจุดหมายปลายทางอพอไปถึงจุดหมายปลายทางพระเรวตาท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระหันตั้งห0 0จะเสด็จมาเยี่ยมพระเรวตาท่านก็นิรมิตด้วยฤทธิ์ของเรวตาเองสร้างเป็นอาคารหลังบักใหญ่สำหรับต้อนรับพระพุทธเจ้าและก็สร้างกุฏิให้พระสงฆ์ทั้งหลาย เป็นที่พักตั้งห้าร้อยจู่ด้วยความผาสุกนะครับพระศิวลีอยู่ที่นั่นอีกอาหารการบริโภคสมบูรณ์ในป่า น, นั่นนี่มีพระแก่สององค์เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะหูหนวกตาบอดไม่มีอิทธิฤทธิ์โอ้ไข่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยมาเสด็จมาเอาหน้าเฉยๆผมว่านะผมว่าเนเออ พอเห็นแน่เหตุแก่นาภาษาเลบุตพบเป็นน้องชายพบพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาแล้วพวกเราคิดดูสินะี่สองพระสององค์คิดดูสนะิสร้างเสนาสนะใหญ่ขนาดนี้พระตั้งห้าอยู่ด้วยด้วยความผาสุกแล้วมาอยู่เมื่อก่อนเข้าพรรษาอีกไม่นานมาอยู่ที่นี่ก็แสดงว่ามิจะสร้างกั็สร้างเลวตสัมมาเนนไม่ได้คิดอะไรมิจะสร้าง นจะสร้างขนาดนี้ได้มันต้องพอแรงนะการก่อสร้างนะดูซิอ่าแล้วจะภาวนาจะมีโอกาสภาวนาได้อย่างไรเนี่พระพุทธเจ้าเสด็จมา ก, กับเพื่อเอาใจสารีบุตรภาษาลรีบุตนะรกอนคล้ายๆเัาเห็ุแกหน้าแกตากันนะที่สเสด็จมาเขาวนี้พระสององค์พูดกันเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้ก็ พระพุทธองค์ก็รู้อะไรเลยนี้่ยอลภะสองพระาแก่สององค์เนี่ยไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาปุตุชนนะมันก็คิดไปมันชนดะไปเรื่อยนะปุตุชนนะทีนี้ก็พออยู่ได้เจ็ดวันพระองค์ก็เออเอ้า เ, เรวตนะัตน้ะเดี๋ยวเราจะได้กลับนะนะทีนี้นะมาเยีย่ยมเยียนแล้วอืมเอาดูไปดนะ้วยความผาสุกนะเรวตัตนะครับผมจะมาเรียนน้อย เลวาตาจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับพระเด็จกลับทีนี้พระองค์กับพระสององค์เนี่ยมันคิดไปทางอากุศลเพระพระพุทธองค์บัญดาลให้ลืมของกลองน้ำบัดของกลองน้ําของใช้ส่วนตัวเนี่ยเหมือนบัญดาลให้ลืมแต่เนี้ก็พระสององค์เนี่กิดเดินออกมาไกลพอพ้นป่าออกมาตายเราลืมของกลองน้ำ ของกองน้ําอยู่ที่ไหนตายผมห้อยไว้อย่ต้นไม้แล้วเท่นั้นก่อนที่จะกรองน้ํามาใช้ใบกั๊บั้นของสมัยก่อนของกองน้ำเขาไม่ใช่ของธรรมดาของหายากแนี่เอาไปามาพระสององค์ก็เลยพระแก่สององค์ก็เลยอิลุงตุงนางเดินย้อ น, อนกลับมาพอกลับมาทีนี้พระเลวตาท่านคลายฤทธิ์เลยเด้่ยเนีหมเออมันเป็นป่าโรงอย่างเนี้ย อันที่ว่ากุฏิศาลาที่พระพุทธเจ้าพระหานพักพระสาวกพักตั้งห้าร้อยองค์นั่นมันหายไปหมดพวกนี้ก็เอ้เดินมาทางสายนี้นะมีต้นไม้ต้นนั้นน่าอยู่อกกย่างนั้นเองนี่ก็เดินมุดเข้าไปพอไปไปเห็นพอไปเห็นของกลองน้ำห้อยอยู่ในต้นไม้พอเห็นห้อยอยู่ในต้นไม้โอ้นี่เด็กมันห้อยอยู่นี่นะพอจะห้อยอยู่นี่ก็ ได้ของกองน้ํากูกลัวจะไม่ทันหมู่เพื่อนใช่ไหมก็เดินอ้าวมาอย่างแรงเลยโอ้ผมไม่รู้น้ําคัดเค้าไม่รู้ว่าน้ําไหวเออไม่รู้ว่น้ําเขอยู่ในป่าดงนะเออเกาะผ้าพระสององค์เลยฮ้ทั้งเกาะเออตีนด้วยทั้งเกาะแข่งเกาะขาด้วยว่างั้นเถอะมุดออกมาจากป่าได้จากนั้นก็เดินมา พระสง์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามปกติพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเสด็จมาถึงมัดป่าเชตะวันแล้วถ้ากิไปบินธบาติที่อื่นลําบากก็ไปบินธบาตินางวิสาขาภิกษุเดินทางไกลไปทางเรือดูมากด้วยอาหารบิณธบาติไม่พอฉันเข้าไปใ น, ในโรงทานได้แต่จะไปฉันให้เกิน3วันลักษณะนี้คือหายเหนือ่อยแล้วไปฉันที่อื่น ให้องค์อื่นไปฉันที่มาจากทางอื่นไม่ใช่ว่าจะแช่อยู่ในโรงทานตลอดไม่ได้ในพระวินยัยแต่นี้พระเหล่านั้นกับพอตอนเช้ามากับไปบ้านนางวิสาขาพอนางวิสาขานางวิสาขาโอ้ไปยังไงพระคุณท่านไปเยี่ยมที่วัดของท่านเลวัตะน้องชายสารีบุตรท่านสารีบุตรพระสงฆ์เหล่านั้นก็โอ้ไปเห็นแล้วก็ห น, น้าภูมิใจสร้างกุฏิ ตอนรับพระพุทธเจ้าพระลหันตสาวกุติสมมูรณ์บริบูรณ์น่าอยู่น่ารื่นรมจริงๆเศนาชนะกนาที่พักพาอาศัยเหมาะสมแต่ท่านเก่งจริงๆบา ร, รมีของท่านเรวตตสมัมาเนเนี่ยท่านต้อนรับท่านทำได้ยังไงโอ้ดีมากพระสงฆ์กำลังบรรยายเตแต่นี่พระสององค์นี่เพิ่งเดินไปถึงอิหลงตุงนางเข้าไป ท่านก็ถามท่านมาจากไหนโอ้ไปกับพระพุทธเจ้านะไปที่วัดของท่านเรวตัตสมัมมาเนนน้องชายท่านอาจารย์สาริบุตรเนี่ยนะนะเออไปยังไงท่านโอ้ไปดูที่แรกก็ดีหรอกพอลืมของกรองน้ำเข้าไปเลยเหมือนที่อยู่ของเปลเตอมมีแต่ ต, ต้นไม้มีแต่น้ำอะไรเต็มไปหมดเลย นางวิสาขาก็เลยงงแตกเลยทเดีพระกลุ่มก่อนบอกว่าที่พักพาอาศัยน่ารื่นรมแต่พระสององค์มาฉันอาหารที่หลังนี่ที่อยู่ของเลวตะเหมือนกับที่อยู่ของเปลตทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่แหละนางวิสาขาหลางงแตกจากนั้นได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถแถลงเรื่องราวให้ฟัง นี่แหละอันนี้ก็คือมาสรุปแล้วก็คือคนที่มีอ น, นิสงส์ในการทำทานอย่างพระศรีวลนะีไปในสถานที่ใดที่อดอยากก็ไม่อดไม่อยากเพราะอะไรเพราะอ น, นิสงส์ทานของท่านท่านได้ทำบุญทาทานมีน้ําจิตน้ําใจได้ทำบุญทาทานกับพระพุทธทเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาอีกเกิดพบใดชาติใดคำว่าอดอยากจะได้มีกับข้าไปเจ้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ จนข้าไปเจ้าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางคือถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่คำว่าอดอยากขาดตกบกพร่องในปัจจัยสีอย่าได้มีแก่ข้าไปเจ้าเลยนี่แหละอนันในสงในการทาบุญทาทานเกื้อกูลหนุนพวกเราไปสู่มรรคผลนิพพานถึงพระนิพพานได้สรุปแล้วก็คือเหมือนกับเปลือกต้นไม้มันกุกห่อหุ้มทั้งกับพีต้นแก่น จนถึงแก่นเต็มที่แล้วนั่นแหละ อ, อ่มันก็ต้องอาศัยเปลือกถ้าต้นไม้ไม่มีเปลือกแล้วจะเป็นยังไงมันจะเป็นแก่นได้ยังไงอันนี้ก็เมเกือนกันอันในสงสินอันในสงทานอันในสงสินนี่มันห่อหุ้มจิตใจของเราให้เดินสู่มรรคผลนิพพานจนถึงเป็นพระริยาบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องอาศัย เ, เปลือกอาศัยกับพิจึงจะมีแก่น เพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีล เ, เป็นเปลือกเป็นกะพีเป็นเครื่องเครือคุลหนุนพวกเราให้เดินสู่มรรคผลนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละมันเป็นเครื่องเครือคุลหนุนกันเพราะนั้นเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เก็บพร้อมรอมริบให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเรื่อย แล้วความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวณโกรธโมโหโกทานให้ทิ้งไว้ก่อนสิ่งเหล่านั้นมันคือมันทำให้จิตใจของเราเนินช้าทำให้จิตใจของเราถอยหลังทำให้จิตใจของเราต ก, กต่ำลาบากเป็นขยะเรียกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลถ้าเป็นปฏิกูลให้เป็นปุ๋ยก็ยังค่วยยังชั่วอยู่นะอันนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยนมันเป็นเคมีสาหรับ อย่างหนึ่งถ้าปลูกต้นไม้กับใส่ยาเคมีเข้าไปทําให้กูดทําให้คืตอต้นไม้ตัว น, นั้นอไม่เจริญงอกงามเหมือนกับยากรรมมักโซนอย่างนั้นะเทลงไปใ น, นโคด ต, ต้นไม้ถึงจะไม่ตายก็ทําให้ต้นไม้ตัว น, นั้นชอบเช่าเพราะอะไรถูกสารเคมีฮนี่ก็เหมือนกัน สารเคมีของใจของกุนงามความดีก็คือกิเลสอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีทําความชั่วช้าเสียหายคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนี่แหละเป็นสารเคมีของธรรมะเพราะนั้นพวกเราให้ตรวจตาดูนะสารเคมีมันมีไหมในใจของเราพยายามชําระใจของเราให้มีศีลมีธรรมให้มีเหตุมีผลให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ตั้งอยู่ในความประมาท หลับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่